ชเออต้องมาเคสในเนี่ยยาวหน่อยเคสนี้คุณแม่เป็นชาวจีนโดยกำเนิด อ, อพยพมาเมืองไทยโดยทางเรือเมื่อแผ่นดินจีนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง เป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวต้องรับทำงานบ้านแทนอาาและช่วยอากงค้าขายทุกอย่างตามแต่อากงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาาเป็นคนมีมือเท้าเล็กทำงานไม่สะดวกเพราะตามธรรมเนียมจีนต้องรัดมือเท้าลูกสาวให้เล็กจะได้ดูเป็นคนมีฐานะดี oh. เมื่อถึงเวลาที่จะต้องมีครอบครัวก็ถูกคุณพ่อคุณแม่คลุมถุงชน จัดแจงให้เรียบร้อยก่อนที่จะเห็นหน้ากันคุณแม่จะฝันเห็นคุณพ่อในฝันรู้สึกไม่ชอบผู้ชายคนนี้เลยเมื่อเจอตัวจริงก็ไม่กล้าพูดอะไรให้แต่งก็แต่งแต่งงานแล้วชีวิตเข้าครัวก็ไม่มีความสุขเพราะคุณพ่อชอบเที่ยวกลางคืนกินเหล้ามีปากเสียงกันบ่อยๆกับคุณแม่ คุณพ่อชอบดุดด่าดูถูกคุณแม่แต่ก็แปลกมีลูกด้วยกันหกคนทั้งๆ ท, ที่ทะเลาะ ก, กันอยู่เลยอ่านตามที่เขาเออครูมไม่อยากเกิดอารมณ์ดีขึ้นมาได้แปลกดีโลกมนุษย์นี่มันแปลกจริงๆทะเลาะ ก, กันยังไงมีลูกหกคน ทะเลาะกันขนาดขึ้นโลขึ้นสารนั่นนะ oh. จนคุณพ่อต้องมาขอกองม่คุณแม่เพราะคุณพ่อเป็นคนผิดดูทะ oh. เลาะยังไงก็ไม่รู้ <laughs> มีลูกในการตามทะเบียนบ้านหกคน <laughs> คลูกจริงห้าคนลูกคนแรกเป็นลูกที่ขอมาเลี้ยงเพราะคุณแม่คลอดลูกแล้วตายเลยขอลูกของคนที่นอนเตียงใกล้ๆ ก, กันมาเป็นลูก oh. มันทำไมเป็นอย่างนี้เน้นเลกะมนุษย์ <laughs> อ่านตามที่เขาเขียนมานะจ๊ะอ่านตามที่เขาว่ามาโดยจ่ายเงินให้เขาไปด้วยลูกคนนี้แปลกเป็นลูกที่คุณแม่รักมากแต่ก็สร้างปัญหาเรื่องหนกันกอกหนักใจคุณแม่นับครั้งไม่ทวนต่อมาทราบภายหลังว่าคุณพ่อเป็นโรคผิวหนังร้แรงก่อนแต่งงานกับคุณแม่คุณแม่จึงพาลูกทุกคนไปหาหมอเพื่อดูดพิษ ออกทางหัวตามความเชื่อของตนขณะนั้นเลี้ยงที่ดูการขายสายไฟขายบุรีเก็บค่าตรงให้สถานที่บ้านเป็นที่เล่นการบรรนานบริการน้ำชาเก็บขยะอื่นๆเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตโดยโรคผิวหนังร้แรงเป็นแผลมีน้ำเหลืองไหลออกตามตัวหน้าราังเกียจแต่คุณแม่ก็ยังคงปรนนิบัติคุณพ่ออย่างกระไิดจนถึงวาระสุดท้าย ภารานี้สินก็ ก, กิจการทุกอย่างตกอยู่กับคุณแม่โชคดีที่ได้น้าชายมาช่วยเหลือทําให้ธุรกิจทรงตัวอยู่ได้กระทั่งใช้หนี้จนหมดจากนั้นลูกๆ ก, ก็ขอาลาออกจากโรงเรียนเพื่อมาช่วยงานที่ร้านและเมื่อลูกคือวงและผู้เขียนเรียนจบก็ามาช่วยงานที่ร้านด้วยกิจการก็ขายายเจากการิญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากหนึ่งสาขาไปเป็นขายายไปถึงสามสาขา S <S <S <an> เมื่อผู้เขียนจะมาเข้าวัดพระธรรมกายก็ชักชวนคนแม่และคนในบ้านมาวัดทำบุญด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ชวนทำบุญครั้งแรกก็รับเป็นประธานกองเลยบอกบุญอะไรคุณแม่ก็ททำทุกบุญทำบุญแบบสาธารณะกุศลก็ทำจนได้รับสายสะพายคุณแม่สร้างบุญกับทางวัดพระธรรมกายล่รอรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี โด้วยทองคำหนึ่งกิโลก ร, รม<ถ>ัมบุญทอดกระถิทนทอดป่าปล า, ปากรถิ่นคุณยายมาร่วมกับลูกสาวส<ถ>บุญอาหารปัจจัยสี่ทุกเดือน ส, <ถ>สร้างพระธรรมกายไปจําตัว<ถ><ถ>คุณแม่จากไปด้วยโรคมะเร็งในปอดลูกๆสร้างบุญดุจที่สุขุสนให้คุณพ่อคุณแม่มาตลอดตั้งแต่บุญสร้างพระธรรมกายภายนอก ส, <ถ>สร้างพระธรรมกายไปจําตัว สร้างพระแก่นกลางสร้างพระธรรมกายและแผ่นลานทำถวายพระสังฆาริการาประทานกรถินสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีประทานกองกระถิ่นประทานสร้างมหาวิหารคุณยายบุญอาหารปัจใจสี่ทุกเดือนคำถามมีทั้งหมดสิบข้อโ อ, โอ้ยอยยยทําไมคุณแม่ถึงลําบากยากจนในวัเด็กและเริ่มสบายในภายหลัง บุญเนี่ยมันหลายบุญกรรมที่ทำห ล, หลายชาติสลับกันให้ผลและแต่จังหวะและโอกาสในการชิงช่วงและช่วงชิงนะจ๊ะ บ, บางชาติประมาทก็ตระนีทำให้เกิดมาจนลำบากบแต่ผลบุญบางชาติที่ทำไว้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในภายหลังเนี่ยบุญบาปมันสลับกันให้ผล บุพกรรมที่แต่งงานกับคุณพ่อแบบกลุ่มถุงชนอันนี้แปลกฟังให้ดี น, นะลุงนะที่ฟังอยู่ที่บ้านบุพกรรมที่แต่งงานกับคุณพ่อแบบกลุ่มถุงชนในอดีตเคยรักกันมาก่อนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวนะ่ะรักกันใหม่ๆต่างก็หวานแหวววุ้งกันละกัน พแต่ละฝ่ายก็เอาแต่สิ่งที่ดีๆมาสแสดงทำให้ติดใจอะเอาสิ่งดีๆออกมาโอ้ยหวานแล้วรักกันดูดดื่มชวนกันไปไหว้พระตอนจีจ๋จ๋าแล้วก็อธิษฐานกันนะเราจะต้องรักกันไปทุกชาติเจอกันทุกชาติทุกชาติอธิษฐานอย่างนี้ครับ ตอนรักกันใหม่ๆก็จะอย่างเงี้ยนนะแต่พอทำ ง, งานไปแล้วเนี่ยตอนหลังมักจะทุกใจเพราะฝ่ายชายประพฤติตัวไปคนละเรื่องกับไอตอนเป็นแฟนอตอนเป็นแฟนอย่างนั่นแต่งอย่าง ใ, ในไหนใครอธิษฐานว่าเราจะเจอกันไปทุกชาติตอนหวานแหววจีจา่าก็เลยทำให้มาเจอกันแล้วก็ต้องแต่งงานกัน แรงอธิษฐานาในชาตินี้พอมาเจอกันแล้วเนี่ยก็อธิษฐานใหม่ทุกครั้งที่ทําบุญว่าไม่ขอเจอ <laughs> โอ้ <laughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไง <laughs> เขาเขียนมาถามอย่างนั้นนะอ่านา <laughs> นี่มนุษย์นี่มันแปลกจริงๆ้าละแต่ลูกดกอธิษฐานจะเจอกันพอเจอกันแล้วก็มาอธิษฐานใหม่ <laughs> ไม่อยากเจอ จะเป็นจริงหรือไม่เป็นไปได้เพราะบุญถึงแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายฝ่ายชายรับดังนั้นชาติต่อไปก็คงไม่ได้ไปเป็นแฟนกงนอีเดกแล้วแหะโอ้ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจเลยคุณพ่อตายแล้วไปไหนโอ้ oh. ตอนท่านละโลกใจท่านหมอง พ็มองเห็นสิ่งที่กระทำมาเนี่ยพิจิตรทุกข้อเลย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยทันทีเลยไม่ต้องแวะที่ยมโลก oh. ไปมหานรกขุมเจ็ดไปมีรูปร่างตัวดำารมุนใหญ่รูปร่างใหญ่เปลือยกายแต่ผอมผอมแห้งดีด กำลังโดนหลายๆอย่างทีเดียวโอ๊นายนริยบาลกรอกน้ำทองแดงพอตายพอฟื้นมาก็ไปเอาไอ้แท่งบุรีแท่งเหล็กร้อนๆคล้ายๆบุรีเนะี<อ>่ยใส่ปากดินทีลนทลายอัตายอีกพอฟื้นขึ้นมาก็ลากตัวไปหน้าแผ่นเหล็กร<อ>้อนพลิกไปมาเหมือนไพ่ เผ็นเหล็กใกล้ๆไพ่แต่มันเหล็กร้อนพอตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ถูกเชือนอวัยวะเพศพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาอาจจอโดนฝนลูกเต๋าเหล็กโอ้ย อ, อีกเยอะแยะเลยเ อ, เอาแค่นี้ก่อนก็ทำไงได้นะ่ ก็บุญที่ส่งไปนะคุณพ่อได้รับไหมครับด้วยการคุมบุญตอนบ่ายวันอาทิตย์โดวยวิธีพิเศษที่มหาปูชนียาจารย์รก็ทำให้บาปกรรมในตัวเนี่ยรกระจางลงไปเรื่อยๆแลยครับจะทาไมใช้วิธีพิเศษนี่นานเีเดี๋ยวอีกนาน ตอนนี้ก็ยังยังอยู่ในขุมเจ็ดแต่ว่าก็ลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆก็ต้องทำบุญไปเรื่อยๆนะลูกนะทำบุญไปแล้วก็วันอาทิตย์ตอนบ่ายก็มาคุมบุญพิเศษแล้วก็ตอนไม่ได้มาก็อธิษฐานกรโสดไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงนี้นะให้มันถูกหลักวิชา ก็จะลดหย่อนผ่อนโทษกันไปเรื่อยๆเป็นโรคผิวหนังร้ายแรงก็เพราะเคยเกิดเป็นนายพรานในกรงจับสัตว์สารพัดกระตายมั่งกรมังเก่งมั่งนกมังอะไรสารพัดเอามาไว้ในกรงเนะี่ยมันกระทุกทรมานอยู่แล้วเพื่อเอาไปขาย พอตัดมาก็ยังไม่ค่าให้ตายล่ะไปตัดไอ้เส้นเอ็นที่แขนขาของสัตว์ออ๋คือมันไม่ตายแต่มันทรมานครับ oh. แล้วก็ทยอยขายไปออ๋ oh. ทยอยขายไปเรื่อยๆ อ, อ, ยอย่างนั้นทำให้สัตว์นั้นเป็นแผลเนี่ยเน่าอักเสบแล้วก็ตาย oh. เป็นอย่างเนี้ยไอ้กรรมเนี่ยมันทําให้เป็นโลก ผิวหนังรายแรงส่วนคุณแม่นั่นนะสบายท่านตายเดินบเรงปอดเพราะการมขายบุรีในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าบนในปัจจุบันเนี่ยทำให้ท่านไปอยู่ดาวดึงเฟสสองมีวิมานทองเป็นเทพธิดาอยู่ที่ดาวดึง สรับบุญได้ทุกๆบุญลูกชายที่ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเนะี่ยมีบุตรประกรรอะไรกับคุณแม่จึงทำให้ท่านทุกข์ใจเคยเป็นอดีตสามีเก่าในชาติในอดีตครับอธิษฐานอีกเหมือนกันรู้สึกคุณแม่จะชอบ อ, อธิษฐานนะให้เจอกันทุกชาติออชาตินี้ก็มาเจอแต่ก็ไม่ได้มาเป็นสามีนะ <Okay. S 1> มาเจอก็รักเลย อามาเป็นบุรบุญธรรมเนี่ยดูเห็นหอขอลูกจกเตียงข้างๆอ่ะในภาพอบอกไปจ้ะในก อ, อกเห็นั้ยมันต้องมีเหตุจึงมีผลอย่างเนี้ยแต่ว่ากฎแห่งกรรมเขาพยายามไม่ให้รู้เรื่องเหตุให้รู้แค่ผลหรือรู้เหตุแต่ไม่รู้ผลเพราะฉะนั้นก็เจอกันก็เลยรักแล้วก็รักมากด้วยรักมากก็ตามใจมาก พอตามใจเข้าก็เกเรเลยลูกคุณทานี่กเกเยแม่ก็ทุกใจแต่ถึงทุกใจก็ยังรักรเป็นอย่างนั้นคุณแม่ทำแทงไปครั้งจะได้รับผลกรรมอะไรเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้ากรรมชนิดนี้ตามนั้นก็จะตายถูกทำแทงตายตั้งแต่อยู่ในท้องอหรือเกิดมาก็ตายตอนเด็กอายุจะสั้น แต่ก็ยังไม่ไปอบายเพราะบุญเก่ายัางอุ้มอยู่แต่ถ้าบุญเก่าหมดไปไม่ทําบุญใหม่ก็มีสิทธิ์ไปอบายได้แต่ตอนชน่วงนี้บุญเก่ากับบุญในปัจจุบันเนี่ยบุญเก่าหมายความพบหน้าน ะ, ะถ้าบุญเก่ายังหล่อเลี้ยงอยู่ก็ยังไม่ไปอบายแต่ถ้าบุญเก่าหมดมีสิทธิ์แต่ถ้าพบหน้าไปทําบุญใหม่ไปอีกบุญนั้นก็ยังอุ้มอยู่แต่ว่าทําเมื่อไหร่ไอ้กรรมนี้มันได้ช่องมันตามมาทัน มีสิทธอายุสั้นเห็นไหมแจ่มมันเรื่องของชีวิตมันซับซ้อนเราจะไประบุวันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรที่เด่นิยา่าเดี๋ยวนั้นจริงช่วงเดียวนั้นช่วงจริงตามทันไหมแจ่มท่านครับสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ได้บุญตลอดได้บุญตลอดเลยที่สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมถวายบุญท่านและโดยใช้ชื่อท่านด้วยอามา่ามือเท้าเล็กปัจจุบันเราก็ว่าเป็นแฟชั่นในยุคนั้น แต่จริงๆแล้วมีกรรมในอดีตเอาสัตว์มาเลี้ยงมาขังไว้เช่นขังนกเอาไว้ดูเล่นฟังเสียงเพาะเพาะดูมันเล่นเลน่นมันก็ไม่ได้เอ็กซ์ไซส์อยู่ในกรงขนาดนั้นมีสิทธิ์อย่างขังนกเขาเนี่ย ที่ฟังเสียงเพราะเนี่ยจุกรูจุกรูจริงๆมันกำลังร้องบอกปล่อยกูปล่อยกูแต่ฟังเป็นจุกครูจุกครูมันกำลังบอกปล่อยกูปล่อยกู <c oughs> อันไหนใครใครขังไว้มัางอ่ะขังก็ปล่อยซะแนะลูกน ะ, <c oughs> ะข้อสุดท้ายละ <c oughs> พี่ชายคนที่สามเนี่ยมีอาการเหม่อลอยเนี่ย แล้วก็มีอาการวิตกกังวลว่าตนเองถูกใส่คุณใสเขียดแค้นกับคนที่ตนสงสัยกำลังทำร้ายตนโดยเข้าใจว่าเขาใช้มีดหมอมีดหมอสายาสานนะมะกรีดภาพคู่กรณีเป็นพระบุปรกรรมอะไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรอาการจึงจะหายไปพี่ชายคนที่สามมีกรรมสุราในปัจจุบันและอดีต oh. อดีตก็นักดื่มขึ้นมาแล้วก็ลืม แล้วก็มาทำใหม่อีกในปัจจุบันแต่เพิ่งเลิกเมื่อฟังธรรมจากหลวงพ่อทตะเนี่ยเลิกแต่กรรมนั้นก็ยังส่งผลอยู่กรรมสุรากนี่ยทำให้เบื ร, บ ร, บ ร, บรอเมืรอยและก็กรรมมักกรดผูกอาฆาตพยาบาทเป็นคนเครียดแค้นกับคู่กรณีในหลายๆเรื่องจึงทำให้มีอาการเบรือรรอย่างนี้แหละแก้ไขก็ไม่ยาก ให้อาภายัยเขครับให้อภัยยทานไม่ผูกโกรธกับใครทุกๆคนปล่อยสัตว์ปล่อยปลาทำใจให้ใสยอยู่ในบุญเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็หายจากอากาศนี้หรือหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายไปให้อาภาัยกันนะจ๊ะนี่คือเคสสต้าดี